สรุปการอาพาธของหลวงตามหาบยุยชนะสัมปรโนโรประจำวันที่20มกราคมพุทธศักราช2554คณะแพทย์ได้กาเรียนรายงานต่อคณะสงฆ์ว่าเมื่อวานหรือ ว, วันที่19มกราคมตอนเช้าหลวงตามีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นแน่นอึดดัดท้องเคลื่อนไส้อาเจียนแพทย์ได้ขออนุญาต ใส่สายยางระบายของเสียออกจากกระเพาะได้น้ำสีน้ำตาลเข้มปริมาณ6 3 0ซอาการเหนื่อยลดลงพักผ่อนได้ตอนกลางวันหลวงตายังคงมีอาการเหนื่อยหลวงตายังมีอาการเหนื่อยไอบ่อยครั้งเสมหะเหนียวข้นไม่มีไข้ผลเอกซเรย์ปอดครอบฝ้าทึบ เล็กน้อยบริเวณทายปอดด้านขวาคงจะด้านนี้ด้านขวาแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยการดูดเสียมหักเป็นระยะหายใจสะดวกขึ้นตอนกลางดึกหลวงตามีอาการแน่นอึดอัดท้องบริเวณลิ้นปี๋เหนื่อยหอบมากขึ้นแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยการดูดของเสียและ สารละคายเครื่องออกจากกระเพาะและใช้เครื่องหายใจแบบไม่ต้องใส้ท่อในหลอดลมอาการเหนื่อยหอบลดลงพักจำวัดได้จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันอันนี้คือเมื่อวันที่วันที่20นะอันนี้ย้อนหลังไปนะเมื่อวันที่18นะย้อนหลังไปวันที่18 วันนี้เป็นวันที่20มกราคมพุทธศักราช2554นะอันนี้คือประกาศให้ทราบโดยทั่วกันคณะสงฆ์สิทยาอนุสิ์20มกราคมพุทธศักราช2554อันนี้พูดย้อนหลังไปเมื่อวันที่18เจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรจะเด็จ นำคณะแพทย์ศิดิลาชมาถวายการรักษาหลวงตาเมื่อวันที่18มกราคมเวลา 9.00 นได้กราบขออนุญาตใส่สายระบายน้ำออกจากช่องปอดได้น้ำประมาณ 700cc วันนั้นฟ้าหญิงขอนะหลวงตาอนุญาตแล้วก็ฟ้าหญิงเสด็จกลับบ่าย2โมงนะวันที่18มกราคมท่านถ้ามีอะไรท่านก็คงจะเสด็จมาบ่อยช่วงนี้ พอมาเยี่ยมอาการท่านพ่อของของท่านนะเจ้าฟ้าหญิงท่านก็เรียกหลวงตาว่าท่านพ่อนะเนี่ยานว่ท่านพ่อหลวงตาเนี่เป็นพ่อทางธรรมะของท่านที่ให้ธรรมะคําสอนให้แสงสว่างทางด้านธรรมะให้แก่เจ้าฟ้าหญิงท่านจวบท่านพ่อนะแล้วก็ขอให้พวกเราคณะทาญาติโยมทุกๆท่านจะมีใครอยากจะฟังนิทานบ้างอยากจะฟังนิทานเหรอ เอานิดหน่อยนะวันนี้นะหลวงพ่อเองก็ได้หายไปสองสาวันที่ผ่านมาเพราะว่าหลวงพ่อดูๆแล้วมันอากาศเปลี่ยนปรบเปลี่ยนปรับสุขภาพหลวงพ่อก็ย่าแย่ลงเหมือนกันเหมือนจะเป็นหวัดแต่ไม่เป็นหวัดแต่เหมือนจะเป็นไข้แต่ไม่เป็นไข้แต่รู้สึกว่าหายแล้วก็กลับมานี่แหละที่ได้มาพูดเกี่ยวกองหลวงตาของพวกเราที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างสุดใจอย่างที่ หลวงพ่อได้พูดว่าพ่อแม่ให้กําเนิดร่างกายตั้งแต่ศีรันจดฝ่าเท้าแต่หลวงตาให้กําเนิดแก่พวกเราในแนวความคิดอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรจนถึงจะชําระใจยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการอันนี้หลวงตาท่านให้พวกเราพวกเราก็คงพอใจภูมิใจ ที่หลวงพ่อพูดนคงจะไม่เกินไปนะที่พวกเราได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาแล้วหลวงพ่อพูดนั้นไม่เกินไปหลวงพ่อว่าพูดน้อยจนเกินไปต่างหากนะเนี่ยพอหลวงตาให้ธรรมะแก่พวกเราเนี่ยชั้นเชิงไหนแต่ชั้นเชิงไหนท่านเป็นผู้ฉลาดป่าเบืองในการแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์คณะศิษยาณุศิษย์ทั่วหน้าระดับต่าระดับกลางระดับผู้ที่จะพ้นทุกในวัฏสงสารที่ผู้จะพ้นทุกจริงๆริงภายบาทแบกกดเข้าไปอยู่ ภูผาป่าไม้ไปอยู่ในเงื่อมผาไปอยู่ในที่สงบสงัดไปภาวนาอยู่ในป่าดวงพงไผ่ลวงตาก็สอนหมดจะอยู่คลองเรือนจะทํำยังไงจึงจะสงบพร่มเย็นเป็นสุขยในในการอยู่คลองเรือนลวงตาก็สอนอีกในระดับกลางผู้ที่รักษาสินแปดถึงจะยืนอยู่คลองเรือนอยู่แต่ออกไปไม่ได้จะรักษาสินแปดลวงตาท้องก็สอนอีกให้ภาวนาด้วยนะ ให้รักษาศีลด้วยให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยภาวนาด้วยหลวงตาท่านก็สอนเป็นอันว่าธรรมเทศนาของหลวงตานี่มีทุกระดับให้พวกเราให้ศึกษาดูอย่างประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระตรโงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นคืออันนี้คือท่านยกตัวอย่างให้แกสิทธิ์ยามสิทธิ์ฝ่ายพระฟังจากนั้นก็ธรรมเทศนาแต่ละกันแว่นดวงใจบ้างอาวักาชของจิตอวักาชของธรรมอย่างเนี้ย ธรรมะชุดเตรียมพร้อมอย่างเนื้อหาได้ยากในยุคปัจจุบันทําคําสอนที่ออกมาจากในใจขององค์หลวงตาเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาเนี่ยหน้าภาคภูมิใจอย่างมากพวกเราได้มาเคารพนับถือหรือว่าได้เชื่อฟังแ น, นะนําประพฤติปฏิบัติก็เห็นผลจริงๆอย่างที่หลวงตาท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราแต่พร้อมกันหลวงพ่อวาดลูกศิษย์หลวงตานี่มากมาย มากมายไม่รู้ว่าในประเทศไม่รู้ว่าต่างประเทศในประเทศนี่ก็ไม่ใช่ย่อยต่างประเทศอีกก็มากมายผู้ที่ไม่รู้ภาษาอีกต่างหากที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังของมีมากที่นับถือเลื่อมใสในองค์หลวงตาแต่หลวงพ่อว่าทุกคนที่นับถือเลื่อมใสทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลแต่จะให้เป็นเอกภ า, ภาพในแนวความคิดหลวงพ่อว่าคงจะยากเหมือนกันนะ พอเหตุอไรพ่อพวกเราถ้าจะวาดไปแล้วก็เป็นปุตุชนเป็นส่วนมากนะปุตตุชนแปลว่าผู้มืดบอดในหลักของพุทธศาสนาท่านว่างนะแต่พวกเราได้ยินว่ามืดบอดกนะ็แปลว่าไม่ไม่สบายใจแต่ตามจริงมืดอะไรคือมืดก็คือกิเลสมันมืดอยู่ในจิตในใจบอดคือคือไม่ใช่ใจไม่ใช่ตาบอดนะใจมันบอดมองไม่เห็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่มันเหมาะสม พวกเรามองไม่เห็นในจุดนั้นะ่ะอันนั้นทานว่ามันมืดบอดจุดนั้นเปลว่าเปบแป ล, ว, แปลว่าผู้มืดบอดนะแต่ใครใครก็อยากจะสว่างทั้งนั้นแะแต่มันก็มันมิจฉาทิฏฐิตัวนี้นะ่ะมันเข้ามาปิดบงังปิดกัน้นเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านว่าคนเราทุกคนเนี่ยจะให้มีแนวความคิดอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นไปไม่ได้ในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ก่อน อันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติของคนธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคําว่าธรรมชาติคํานี้แหละมันมีมากลาไกลายในครั้งกกพุทธกาลภาษาวกกันะว่าขนาดพระอรหันยังมีความคิดเห็นแตกแต่ต่างกันพวกเราได้ยินก็คงจะ ง, งงเหมือนพระอรหันเป็นผู้หมดกิเลสแล้วทําไมจึงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยากจะฟังจุดนี้อีกเหมือนกันเพราะเหตุอะไรตามทา่จิงพระอรหันคือหนึ่งเดียวแต่ทําไมมีความเห็นแตกต่างกัน ฟังนะทีนี้หลวงพ่อจะเฉลยให้ฟังให้พวกเราคิดดูซิว่ามันจริงอย่างที่หลวงพ่อโพูดไหมแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าพระหลานมีความคิดเห็นแตก ต, ต, ต่างกันคํานี้ก็ไม่มีแต่ว่าหลวงพ่อนำมามาพูดมาเฉลยให้ฟังเนี่ยพวกเราจะฟังโดยซิอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพานเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าอานอนทพระชันน่เนี่ย พระชนะคือใครพวกเราคงจะงไม่รู้คือพระชนะท่พนขี่ม้าเกาะท้ายที่พระสิทธะไปบวชคือนายชนะเน่ยคนนั้นแหละในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้แล้วเนี่ยได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนายชนะก็มาบวชอีกมาบวชกับพระพระทุทธเจ้าแต่เป็นคนหัวเดือไม่ยอมฟังใครเพราะ ง, งั้นพระชนะนี่ยนะใครพูดให้ฟังไม่ได้ ดาขาดเลยว่างันขนาดพระษารีบุตรพระโมคขลาเนี่ยพระกัจจปะอานนนดาบดแต่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ดาด่ารับหลังเหมือนกันเพราะชนะท่านว่าอย่างไรท่านบอกเนี่ยข้าพระเจ้าเนี่ยพาพระพุทธเจ้าไปบวชนั่งม้จากกรุงกบิลพัทจนถึงแม่น้ําอโนมาณทีพอพระพุทธเจ้าบวชแล้วได้สําเร็จเป็นพระนุตระสัมมาโคตรียาแล้วพวกท่านเข้ามาบวชที่หลังพอมาบวชแ่้ข้าพรเจ้าเป็นสารีบุตรข้าพรเจ้าเป็นโมกขลา ข้าไปเจ้าเป็นอานุแต่ใครเป็นคนพาไปปวดผมเนี่เป็นผู้พาพระพุทธเจ้าไปบสถ์จะกระดาตรงนั่นดาวนี่จนพระสงค์เนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงไปกราบคุพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, จาไม่รู้จะทํำยังไงพระพุทธเจ้ายอมแพ้มันกันนะบางท่านนะยอมแพ้พระวดัด อ, อ, อ, อือพอได้สุก็เลยพระพุทธองค์บอกเออก่อนที่เราจะปริญิาพันในวันเดือน6กเพลนพระพุทธเจ้าว่าอาน์เมื่อเราป ร, ริญญาพันไปแล้ว ให้ลงพมมาทันกับชันณะนะอันนี้ลงพมมาทานเนี่ยหลวงพ่อจะไม่อธิบายนะให้พวกเราไปค้นคว้าในพะระตไตรปิฎกคียแล้วกันนะลงพมมทานกับชันณะเนี่ยทำยังไงจากนั้นพระอนุนก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองกุจินาลากําลังจะผรินทานพบพระอาอ น, อนาุ์บอกว่าพระพุทาาพธเจ้าค่ะจะปฏิบัติต่อจตตรีเพศอย่างไรกับพระสงฆ์จะปฏิบัติก็ต่อจตตรีเพศอย่างไรพระเจ้าขา่า อันนี้พวกเราคงยึิ่งจากองค์หลวงตานะองค์หลวงตาเคยพูดเคยบอกให้พวกเราได้ฟังแต่อยู่ในพระไตรปิฎกท่านว่าอานนท์อย่าดูอย่าแลนั่นแหละเป็นดีพระพุทธเจ้าท่านสอนนะถ้าหาว่าจําเป็นต้องดูต้องแลล่ะพระเจ้าค่ะอย่าพูดด้วยแต่ถ้าหาว่าจําเป็นจะพูดด้วยล่ะพระเจ้าค่ะให้มีสติในการพูดถ้ามีสติแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะจะไม่เข้ามาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสัง่ง ได้ใ น, นถ้าว่าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงที่เป็นสุนีและเป็นเมธีแม่ขาวก็เหมือนกันถ้าว่าเพศตรงข้ามนะ่ยอย่าดูอย่าแลนั่นแหละเป็นดีดูแลแล้วอย่าพูดด้วยถ้าจําเป็นจะต้องพูดให้มีสติอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกแกพระอานุนเมื่อท่านสั่งเสียจากนั้นท่านก็นสั่งเสีย อ, อีกว่าอานุ์อาบัตเล็กน้อยที่เราบัญญัติตั้งแต่ปราราชิกสังฆาทิเสเถรจนถึงอาบัตทุกกฎในพระปฏิโมก สินในอภิสมาจาร์นอกพระปฏิโมกถ้าพวกเธอจะถอนสิกขาหมดที่หยุ่มยิ้มเล็กน้อยที่จะมันไม่เกี่ยวข้องกันที่เราบัญญัติไปแล้วนั้นถ้าพวกเธอจะถอนก็ให้ถอนได้นะในเมื่อเราผ่านไปแล้วให้พวกเธอจะถอนก็ให้ถอนได้พระ อ, อนอนท์ก็ไม่ได้ถามจากนั้นครับผมจากนั้นพระพุทธองค์ก็ปริณิตพานอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังในวันเดือนหกเพน ก่อนที่ท่านจะปริเนียผานท่านสั่งว่าขยะวยธรรมมาสังฆ่าราอ ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดอะไรอีกต่อไปปิดพระโอษฐ์ก่อนปรินีพานนะ จากนั้นเมื่อพระ อ, องค์ปรินิพานและท่นีพระสงฆ์ทั้งหลายก็รังไหลกันเข้ามาเข้ามาในพระสบของพระพุทธายาจากนั้นก็มีพระลูกศิษย์ของพระมหากรตปะองค์หนึ่งที่บวชภายแก่เฮีวบวชภายแก่ในหะยัดจงหวัวดึงหัวลั้นสักหน่อยนะผู้ที่บวชภายแก่นี่นะเข้ามาบวชเข็นภาพพิสูจนสงฆ์ทั้งหลายร้องโ่ม m ร้องให้คือเท่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านก็ทําใจสลดท่านก็เห็นสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยง แต่พวกพระโสดาบั น, นลงมายท่านร้องหม่ม m ร้องไห้เสียอกเสียใจโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกแนะนําสั่งสอนพวกเราเหมือนกับพวกเราให้เดินได้แต่พวกเรายังเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลพี่เลี้ยงก็ตายไปเสียก่อนแล้วเราเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครต่อไปภายภาคหน้าอันนี้คือพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเสียอกเสียใจกับพระพุทธเจา้าปรินิพานจากนั้นอีกพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง นก็ทําใจได้แต่นี่มีพระแก่องค์หนึ่งท่านโพดขึ้นในถ้ำกลางสมว่าเอ้ยพวกท่านจะไปเสียใจทําไมเพราะพระพุทธเจ้าตายไปแลดีแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่เดี๋ยวก็ บ, บัญญัติสินข้อนั้นเดี๋ยวก็ บ, บัญญัติวินัยข้อนี้เลี้ยว บ, บัญญัติกฎคติกาเดี๋ยวก็ห้ามปรามคนนั้นคนนี้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าปริเนพานไปแล้ว ไม่มีใครพูดพวกเราจะทําอะไรก็สัมบ่ายพระแก่องค์นั้นพูดนะพระมหากัสสะได้ยิงโอถ้าว่ามีพระพูดอย่างนี้หลายๆองค์ขึ้นมาศาสนาของพระพุทธเจ้าคงไม่ถึง 5,000 ันปีแน่คงจะหมดเร็วๆนี่แหละถ้าพูดอย่างพระองค์นี้พูดไม่ได้ต้องตั้งกฎกติกาขึ้นมาใหม่จากนั้นพระมหากัปปะสะก็เลยตั้งกฎกติกา เ, เรียกประชุมสวนย่อยเมื่อพระพุทธเจ้าป ร, นานปรินิพนธ์ไปแล้วเนี่ยพวกเราจะไปชุมกันไหม พระอานนท์พระเถระผู้ใหญ่บอกว่าควรจะประชุมตั้งกฎกฎติการวบรวมทำวินัยขึ้นมาใหม่พระมหากรัตถะก็เลยกําหนดเราจะประชุมกันที่ไหนไประชุมกันทํามสัตว์บรรณนูหาในกรุงราชคฤห์จากนั้นก็พระมหากรัตถะก็เลยทรงสารไปถึงพระเจ้าชาติชาติศัตรูที่เป็นพระเจ้าของเมืองกรุงราชคฤห์ในยุคสมัยนั้นจากนั้นพระเจ้าชาติศตรูก็เป็นพุทธพุทธศาสนุปธรรมพกเป็นผู้จัด ที่ทำสังขารนาอีกจากที่ไปสามเดือนที่พระเจ้าประชุมเพลิงไปแล้วใน3าเดือนจะมีการประชุมกันท่ามสัตวัรนักูหาดังนั้นพระสงฆ์ก็ทยอยกันเข้าไปเข้าไปเข้าไปเนีวันนั้นก็เป็นวันประชุมรึง ถ, ถึง3มเดือนพระมหากัตปะก็เป็นประธานส่งประชุมท่ามสัตวัรรณคขูหาแต่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายพร้อมกันแล้วพระมหากัตปะว่าเราจะประชุมเรื่องอะไรก่อนมติก็เลยลว่าพราะพระเจ้าของเราเคยสั่งไว้ว่า ถ้าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะประชุมกันเรื่องพระวินยัยคือกฎระเบียบก่อนคือกฎกติกาก่อนถ้าว่ามีกฎกติกาอยู่ในกลุ่มใดรวมกลุ่มนั้นจะเป็นผึกแผ่นขึ้นมาถ้าคนดูในกลุ่มใดหลักหลวมในกฎรละเบียบในวินยัยพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันไม่มีสูงไม่มีต่ำสิ่งควรไม่ควรจะไม่รู้เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะ ออกพระวินัยก่อนแต่นี้พอมาพูดถึงพระวินัยพระมาหากัจจปะก็ถามว่าอานอน์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะพระริพานน์ท่านสั่งเสียอะไรกับท่านไว้บ้างเนยคือพระนนท์เป็นพระพุทธอุปถาเนี่ยพระอานอนท์บอกว่ า, วาสั่งเสียอยู่ก็คือให้ลงพมทันต่อชนะอ่าแล้วก็ให้ปฏิบัติต่อจิตเพศและอาวัตเล็กน้อยเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะถอนก็ถอนได้นะแต่นี้พระมาหากัจจปะก็เลย ท่านได้ถามไม่ว่าอาบัตเล็กน้อยน่ะที่พระพุทธเจ้าให้ได้บอกว่าอาบัตเล็กน้อยเนี่ยให้ถอนอาบัตอะไรระดับไหนพระอนุนบอกว่าไมยครับกับผมในช่วงนั้นรู้สึกว่าจิตใจของกระผมสรดสังเวชหดหูมีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากที่พระพุทธเจ้าจะปรินีพานก็ไม่ได้ถามว่าอันไหนควรยังไงไม่ควรยังไงพระมหา ก, กรัชพบลิตรำนิพระอานุนบอกว่า ท่านอ น, นุนบกพ่องพระ น, นนทก็ยอมรับว่าพระ อ, อ น, นุ์บกพ่องจริงๆเพราะไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าจุดประสงค์นะี่ยจากนั้นพระมหากรสปะประกาศขึรปปรศ้นมาเอาสงฆ์ทั้งหลายทั้ง500รลูกเนะี่ยร้วนแล้วจะเป็นพระ อ, อรหรันต์เป็นผู้แตกฉานในอัดในธรรมมีอิทธิฤทธิ์ทั้งหมดทั้ง500รองค์กนะันเอาพวกเราหาเรือกันสิว่าอาบัตรเล็กน้อยที่พระพุทธเจ้าให้ถอนนั้น อ, ะอ่ะเราจะถอนถอนอะไร ระดับไหนก็ถามเป็นกลุ่มๆคือเนี่ยแหละลวงพ่อบอกวันพระอระหันต์ถึงจะท่านจะเป็นพระอระหันต์ทั้งห้าร้อยรูปนะเป็นพระอระหันต์ด้วยการหมดแต่ความคิดไม่เหมือนกันนะท่านคนหนึ่งก็บอกว่าอาบัติสิลอภิษมาจารย์สินนอกพระปฏิโมกเนี่ยน่าจะออกให้หมดเอาไว้แต่ศินศินพระปฏิโมกศินสอง้อยี่สิบเจ็ดนี้เท่านั้นแต่บางกลุ่มบอว่าสินสอง้อยี่สิบเ็ดนี่ก็ถืออย่างมากไป ควรจะ อ, ออกปฏิเทสนิยะเสกียวัตรลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ถอนออกบางคนชคิกาบทน่าก็น่าจะถอนเพราะไม่จําเป็นพอในสุดพระอรหันห้าร้อยองค์เนี่ยความคิดไม่เอ ก, กฉันเหมาองกันเถอะทิศไปคนละคิดคนละทางแต่นี้ก็ไม่รู้จะเอาเอาตรงไหนมาพอในสุดพระมหากัตตาปะอะไรสรุปเลยเต็มเอาอย่างนี้ดีใหม่คือความคิดพวกเราเนี่ยทั้ง500องค์ไม่เอ ก, กฉันแต่ถ้าว่าพวกเราจุดนั้นถอนชิกาบทจุดนี้ พอที่สุดมันจะเป็นลุ่มลุ่มรอนรอนสูงสู ง, สงต่ตํา่ำให้เขามันไม่เสมอเนะ่ะพอถอนแล้วพวกหนึ่งก็ว่าเฮ้ยทาไมถอนทําไมจุดนั้นอ่ะมันมีประโยชน์อยู่พอเนีถอนกุเนี่ยเอ้าทำไมเอาไว้ทําไมจุดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์นานาทัศน์นานาจิตต์่างพระมหากรัตปาบอกว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าพวกเราไม่เอ ก, กฉันอย่างนี้เนี่ยข้าพเจ้าว่าคงไว้ทั้งหมดดีใหม่คือคงไว้ทั้งหมด ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมานั้นเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์พุทธบริษัท4ี่ของพ่อองค์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเสนอว่าควรจะเอาไว้ทั้งหมดดีไหมคือพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรไว้แล้วให้ปฏิบัติตามนั้นพระสงฆ์ทั้ง500รลูกลงมติเป็นเอกฉันบอกว่าเห็นด้วยควรจะเอาไว้ทั้งหมดนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งห0ารลูก ทำไมท่านเป็นพระอรหันต์ทำไมท่านจึงไม่ไม่มีความคิดเป็นเอกฉันท์แต่ให้เรามาวิเคราะห์เถอะเพราะว่าพระอรหันต์ทั้ง500รูปนั้นบางท่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเชื้อพระวงก็มีเป็นพราหมณ์ก็มีเป็นอาจารย์ก็มีเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยอย่างพวกเรานี่ก็มีเป็นทหารตำรวจทพิพากษาอายการก็มีเป็นพ่อค้าประชาชนทํามาค้าขายก็มี เป็นชาวไร่ชาวนาชาวรั้ชาวสวนก็มีเป็นพระหรหัตท่านได้สาเร็จพระหรหัตแต่พระหรหัตเสมอกันท่านรู้แนวอรยิยสัจสีทุกสมุทัยนิโลดมักในจิตใจของพระหรหัตเสมอกันจุดนั้นคือจุดที่ได้สําเร็จในสเสมอกันแต่ว่าแนวความคิดในสิ่งแวดล้อมน่ะถ้าท่านเป็นเชื้อพระวงศ์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ระบบกดระเบียบของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็อยู่ในกฎหนึ่งกฎพ่อค้าประชาชนก็จะได้กฎหนึ่งกฎของพราม์ก็โยนได้กฎหนึ่ง พวกชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็อยู่ในกฎระเบียบหนึ่งจะได้พอเอาเข้ากันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นความคิดจะให้เสมอภาคกันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเอาไปวิเคราะห์ต่ออีกก็ได้นะหลวงพ่อวิเคราะห์ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่านาน า, น า, นาจิตต่างนานาทัศนะเพราะนั้นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาเนี่ยมากมายพวกเราจะจะให้มีแนวความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันยากสรุปแล้ว แต่ถึงจะยากยังไงก็ตามกาให้พวกเราหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปารรบกันเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารักเคารพเชิดชูบูชาในพ่อของเราถือว่าพ่อของเราเป็นร่มโพร่มใยพวกเราถึงจะมีทิฏฐิมานะออกไปยังไงเราก็ น, น้อมเข้ามาหากัน เ, ออเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเราก็คงจะมีแต่ความสงบร่มเย็นผาสุขอยู่ในความสงบนิ่งนะ จะพูดอันไหนจริงใจออกไปก็ให้ระวังในการพูดออไม่ใช่ว่ารู้อะไรก็พูดทั้งหมดไม่ได้นะรู้อะไรก็พูดทั้งหมดไม่ได้ถ้ารู้อะไรพูดทั้งหมดนะีพอได้ยินอะไรมาคันปากเอ้ยข ย, ขยับจนอยู่ไม่เป็นอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่านิทานให้ฟังอีกแต่นิทานไม่ได้มาในปัะไตรปิฎกนะทินเป็นนิทานประเทศพมา่าหลวงพ่อได้อ่านมาจากธรรมาจากสุนหะลวงพ่ออา่านมา แล้วหลวงพ่อออกมาขายายผลต่อนะท่านว่ามีพระราชาอยู่เมืองหนึ่งพระราชาเมืองน้อยมันนะแต่สมัยก่อนก็คงจะเป็นพระราชาเมืองเมืองหนองบัวลําพูของเราเนี่ยเราเอางันเถอะอย่างพวพระตาอย่างนี้นนะั่นในอยู่ที่เมืองหนองบัวลําพูเหมืนอนทีนี้ก็พระราชาเนี่ยกลางคืนก็ค่อยๆอ่าผ า, า, า, ามาหาดเล็กคู่ใจออกไปลาดตระเวนดูว่า เป็นไงการปกครองของเราเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาพอใจมากน้อยแค่ไหนให้เขาว่าเป็นสันติบาลไกลๆว่างั้นอะ่ะออกไปดูตรวจตราในพื้นที่ไปตรวจตราพื้นที่ว่า เ, เขาพอใจไม่พอใจในการปกคร อ, องของเราไหมบางทีกันสุ่มออกไปกลุ่มนั้นสุ่มออกไปกลุ่มนี้ว่างั้ น, นไมใ่ใครรู้จักแต่มหาดเล็กเนี่ยแต่ติดตามไปตลอดว่างั้นนะให้มหาดเล็กคู่ใจเนี่ย กอนนี้พอไปวันหนึ่งท่านก็เดินทางคงจะหิวนะ่ะคงจะหิวเห็นยายแก่คนหนึ่งตําข้าวตําข้าวใหม่ว่าไงแต่ะอตําข้าวข้าวใหม่ใม่มันก็กลิ่นหอมว่าไงแต่พอกลิ่นหอมตอนี้พระราชาก็ถูกกลิ่นข้าวกนะ็เลยบอกให้มหาเล็กไงเฮ้ยมหาเล็กเราได้กินข้าวําใหม่ข้าวใหม่เนี่ยหอมวะ่ะไปขอลาจากยายเอามาให้เรากินเดี๋ยวใช่ป่บอกมหาเล็กนะ ไปเอาลำจากใจมาให้เรากินรู้ใช่ไหมเร า, าจะกินลำวะคงจะอร่อยวะมันลดกลิ่นหอมเหลือเกินเนี่ยมหาดเล็กก็บอกว่าพยาคาพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ควรจะกินลำหรอกลำเน่ยคืออาหารหมูอาหารหวัวอาหารมา้าพระราชาไปกินลำเดียถ้าได้ยินไปที่ไหนอายไปถึงนั่นเนี่เสียเสียประวัติลดศักดิ์ศรีเดี๋ยวไม่ดีพระเจ้าค่ะอย่าไปกินเถอะกินลำมันไม่ดี พระเจ้าแผ่นดินเนท่านท่านก็อยากจะสวยเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยมหาดเล็กเราสั่งและต้องไ ป, ไปเอามามหาดเล็ก็อดไม่ได้ก็ต้องไปเลยท่านไปก็เลยไปขอกับยายยายก็เอาใชจะเอาตะไคร่เอาได้พระหมหาเล็กก็ใบตองกล้วยมากรนะหอดพอมาถึงแล้วกับมหาดเล็กก็บอกว่าพระเจ้าข่าอย่าไปสวยเถอะลำเนี่ยมันเป็นอาหารหมูอาหารมา้าอาหา ร, รวัวมันไม่ใช่อาหารของคนพระองค์ สวยไปแล้วเนี่ยมันจะเสียเกียรติประวัติเด้หมอเกียรติประวัติของพระราชาเนี่ยไปกินลําน่ยมันไม่ถูกนะอย่าไปสวยเถอะพระเจ้าอาพระเจ้าไป็นเด่นบอกว่าเราอยากเลยวมะมแต่เรากับเธอท่านรู้กั น, า น, ากนเธออย่าพูดไปพูดมานะถ้าเขินพูดไปแล้วคอขาดนะพระราชาประวัติคอขาดนะเอออย่าพูดนะเรามีแต่เรากับเธอท่านน่ะล่ะรู้กันมหาเล็กเห็นพระราชาจะสวยจริงๆมหาเล็ก็เงียบเลย จากนั้นพระราชาก็เลยหม่ําเลยเพวกนั้นกิ น, นะกนลําเหมือ น, นเด้อเอาเต็มอิ่มเลยพอกินอิ่มแล้วท่านี่กระต่างคนก็ต่างเอากับบ้านกับเรือนแต่มหารเล็กเนี่สีทีนี้คันปากท่านนี่คันยบคันยบคันยบอยากจะพูดให้ใครฟังก็กลัวคอตัวเองขาดท่นี่อดไม่ลงทนว่ามันจะเป็นประสาทตายเอาเท่านี้อยากจะพูดอย่างนั้นนะพวกเราเคยเป็นมาอย่างนี้นะลองลองถามนะถ้าได้ยินคํารับมาเนยะพวกเราจะจะพูดนะี่ยมีไหม ยากจะพูดว่าเงี้ยอดเลยโนทนไม่ไพูดไม่ได้ใจขาดแน่แล้วเงีเอาถ้าข้าจะพายเรือไปกลางทะเลห่างๆเราจะบอกว่าพยากินล้ำพยากินล้ำแล้วก็จะกลับเข้ามาเลยตอนนี้นก็นั่งเรือไปพอมองไปไปเห็นแต่คนมีแตเ่เรืเ อ, เ, อเขาหาปลาเหมืนอนกันแตไม่กล้าพูดถ้ากล้าพูดพ่อพูดไปไอ้พวกเขาได้ยินแล้ยจับคําของเราได้แล้วก็ตายเราคอขาด กลับเข้ามากลับเข้ามากับไปกลางท้องนาเลนะไปท้องนาไปยืนมองหาที่สูงสูงเลยแตคิดว่าพญากีราจะประกาศอีกคนนะั้นจะพูดจะพูดอีกก็ไม่กล้าพูดกลัวคนจะไปคันนาบาังบังอยู่จอมปลวกบ้างแต่ที่ตัวเองไม่เห็นนะไม่กล้าพูดจากนั้นก็เข้าไปในป่าช้ายป่าช้ายก็ไม่กล้าพูดเพางนะงานนั้นกลัวคนจะไปซุ่มไปบังอยู่ในป่าแถวนั้นเองแต่นัก็เข้าไปในดงนะ เข้าไปในโด่งลึกๆพวกงานน่ะพอเข้าไปไปเห็นไม้ประดูนต้นหนึ่งบักใหญ่อยู่ะไม้ประดูนใหญ่ต้นหนึ่งแล้วมันเป็นโพรงมันเป็นโพรงอยู่ข้างในแล้วก็มีเถาวันขึ้นไปอตาแก่ก็เลยเดินเข้าไปในป่าไปเห็นก็เลยปีนเถาวันขึ้นไปพอปีนเถาวันขึ้นไปคืสอส่องลงไปในในโพรงไม้ประดูอนนะพราะส่องเสร็จแล้วแบบไม่เห็นไข่พอไม่เห็นไข่ทีนี้ เอาละข่าจะระบายใส่ใส่โกนไม้ไม้ปะดูนี่ละงั้นก็เลยบอกพยากินลำพยากินลำพยากินลำพูดออกปากว่า ง, งั้นพอพูดจะ แ, แลกนะสบายใจว่า ง, งั้นได้ระบายคำพูดว่า ง, งั้นได้ระบายคำพูดโอ้สบายใจพอกลับมา เ, เนี้เอ่ก็หายแล้วเจนี่คล้ายมันระบายอะไรเนี่ยมันระบายให้บุคคลที่สองฟังแล้วว่า ง, งั้นเถอะโผล่มไม้ประดูว่า ง, งั้นอ่ะตอนนี้ก็พอต่อมา กองพายีของพญาในเมืองห น, นึ่งแตกมาน่ยพราแต่พวกเสนาอํามาทั้งหลายเขาไปหาไม้เลยสมัยนั้นเขาไม่มีเครื่องมือเหมือนทุกวันนี้ได้เขาก็ต้องหาไม้ที่เป็นโพงเหมือนกันดูเปลือกของมันแล้วไม่ไม่แตกไม่รั่วไม่ล้าวไอะไรไม่อะไรนะเขาก็จะเอาต้านนั้นแหละมาเป็นกองเหมือนกันเขาก็หาดูดูเออไม้ประดู่ต้นนี้เหมาะสมจะเป็นกองได้เขาก็เลยพ่อพากันไปโค่นด้วยความระมัดระวังเพราะมันไม้โพงเนี่ยโค่ไปดีมันแตกเลย เขาก็ค่อยโค่นได้พอโค่นได้เขาก็มาตัดเหลียบร้อยเสร็จแล้วเขก็มาขัดมาเกลามาทำให้มันดิบดีวะงั้นแต่บนนี้สก็ห่มหนังแต่พอห่มหนังใครเข็นก็โอ้ให้ประดูสวยมากสมควรจะเป็นกองไพรีตีเข้าสู่ศึกสงครามเวลาจะประกาศศึกสงครามแล้วก็ต้องตีกองวะ ง, วงั้นอ่ะเนีกองไพรีคือกองพระเจ้าแผ่นดินกองคู่คู่กับพระราชวังวะ ง, วงั้นอ่ะ แต่นี่เขาก็ขึ้นห้างเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไม่มีใครกล้าตีนะไม่มีใครกล้าตีเพราะว่าจะต้องให้พระราชาตีก่อนนะเนี่ยเขาหุ้มหนังเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะเขาไปเอาไปถวายพระราชาพระราชาเก็เห็นกองสวยๆข้าาพระราชาก็ตีเลยตีกองเนะทั้งที่มันจะดังตุงตุงตุงตุงตุงตุงเลยตีตบพระราชากินลา พระราชากินลำพระราชากินลำพระราชาก็แบบโอทําไมมันเป็นอย่างนี้วะทิ้งทิ้งค้อนกลองแล้รว่างั้นเถอะเอ๊ะทาไมวะแต่คนทั้งหลายก็ไม่รู้หรอกพระราชากินลำนี่นคืออะไรไมันพูดถึงใครก็ไม่รู้เพราะคนไม่รู้ไนงะใช่ไหมแต่พระราชาเนี่รู้ว่ามันมันมันพ่อไปก็ประหาเล็กในวันนั้นอ่ะอตัวเองกินลำนั่นนี่แหละแต่นี้ก็พระราชาก็จุดตีกองนะอ่ะเออ พวกเราคิดต่อไปที่ว่าต่อไปนะพระราชาจะทํำยังไงเนี่คงจะสืบสอบหาว่าใครไปมาพูดเท็ขหมายต้นนี้ฝังเงินเนี่ยท่านก็ทรงจะสืบมหาเล็กที่ที่ตามไปในวันนั้นแห ล, ละเหมือนกันเขาก็ไม่ได้พูดต่อกัอนน่ยแต่ได้มาพูดวิเคราะห์ดูสิงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเรารู้เรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทําไมเราจะไปคันปากทําไมให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาไปซักมักกระจก ทำไมอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของผู้ปกครองของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านทำไมเราจึงอยากจะพูดเรื่องของคนอื่นเขาถ้าพูดขึ้นไปมันก็นิสัยไม่ดีสอจึงนิสัยไม่ดีชอบออกเรื่องของคนอื่นมาพูดหลวงพ่อว่ามหาเล็กเนี่ยไม่ดีตรงนี้ ชอบเอาเรื่องของของเจ้านายมาพูดแต่ที่นี่มาตำหนิเจ้านายเลยมาตำหนิพระเจ้าเป็นดินที่ไปกินลาบหลวงพ่อไม่น่าจะถูกต้องเพราะตัวเองเป็นผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจะทำสิ่งอะไรอะไรลงไปเนี่ยต้องคิดซะก่อนว่าอันนี้ทำไปแล้วมันจะเสียหายไหมเมันจะเสียหายกับตนเองมันจะเสียหายหถ้าเขาได้ยินมากๆต่อไปมันจะเสียหายไหมเนี่ย อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทําก็ทํำถ้าคิดอยากจะทําก็ทํานี่ยถ้าเมื่อมันเสียหายขึ้นมาแล้วน่ยมันก็รับไปไหวมันกันนะบางเรื่องเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําอะไรลงไปถ้าเป็นผู้ใหญ่นีต้องระมัดระวังโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอย่างผู้แทนเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศพอกลับมาแล้วก็คุณนายก็ถามรัฐมนตรีไปเที่ยวที่ไหนบ้างลูกน้องอนี่ยทำยังไงเธอถ้าลูกน้องปากบอลหน่อยก็นั้นแหะแตกวงอะไรเธอเนี่เพราะเหตุไร เพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าใหญ่นายโตจะไปที่ไหนต้องระมัดระวังในการไปการดูกา ร, การครบค้าสมาคมการเล่นการปนองปนงังการเที่ยวเตะการพูดจาพาทีกับใครๆต้องระมัดระวังเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังในการกระทํานั้นๆ น, น, นี่แหละอันนี้เป็นผู้ใหญ่หลวงพ่อว่าก็สมควรจะทําให้ถูกต้องท่านลูกน้องเห็นแล้วก็ลูกน้องกิ จะไม่เอานำไปพูดพูดไปได้สิ่งที่มันไม่ดนะีแต่ถ้าว่าพวกเราคิดได้ทำไปเลยเนะี่ยลูกน้องเขาก็อึดอัดบางทีเขาก็พูดออกไปก็ เ, เสียหายแก่เจ้านายเหมือนกันเพราะนั้นหน้าตำหนิทั้งสองคนหลวงพ่อว่านะพระราชาก็หน้าตำหนิเพราะท่านทำไปเห็นแก่อยากเกินไปเห็นแก่อยู่แก่กินโชว์ครัง้งโชวคราวไม่ได้คิดไกลถึงอนาคตจะเสียหายนะ มหาทเล็กกเ็เหมือนกันเอเรื่องของเจ้านายทําไมเราจะไปบากปากบอนปากคันถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกนะอันนี้ก็คือให้พวกเราคิดคิดดูใช่อันดับที่สามท่นี้ยหลวงพ่อจะเรื่องให้ฟังอีกพวกเราการปฏิบัติธรรมของพวกเราไหว้พระข้ดีสมาทานฉินข้ดีภาวนาข้ดีพวกเราควรจะริเริ่มตั้งแต่ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เมื่อยังน้อยยังหนุ่ม เราควรจะเก็บพหอมรอมริบควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยเรื่อยเื่อยนะมันจึงจะถูกนะไม่ใช่ว่าจะแก่เท่าจนถึงใจจะขาดแล้วยังค่อยมาภาวนาพุโทโธพุโทโธไม่ได้นะบางทีพูดผิดพูดถูกอีกนะเออเหมือนกับยายคนหนึ่งนะ่ะอมียายคนหนึ่งอมีพี่น้องโดยการหลายคนแต่ต่างคนก็ต่างมีครอบมีครัวไปนะแต่มียายคนหนึ่ง ไม่ได้แต่งงานในตระกูลนั้นนะเพราะเป็นพี่สาวใหญ่หมู่งั้นลักลูกลักหลานมากลักน้องลักนู่มากก็เลยไม่แต่งงานไม่แต่งงานก็ลูกน้องเขาแต่งงานเขาเาก็ได้ลูกลูกมายายนี่กเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลหลานมางั้น่ะเลี้ยงหลา น, นะแต่อาชีพของแ ต, แต่ยายนี่นะอาชีพหาหอยหาหอยหาหอยท่าวันหน้าฝนกไปหาในบึงในหนองมาขายมางั้นนะ พอตกหน้าแรงเนี่ยก็ไปหาหอยตามท่องไรท่องนาที่หอยจําสินเนี่อไปหาหอยที่มันมันอยู่ในมันหอยจําสินอยู่ในนั้นอะไปหาขัวหอยว่างันเถอะมาขายนเมื่อนี่ฉลูบแล้วคือคือยายนีย่หาหอยขายทั้งแรงทั้งฝนเพื่อหาทุนมาให้หลานได้เรียนหนังสือว่ากันเถอะพอต่อมายายในอายุแก่แก่แก่แก่เข้าทีเนี่ยพวกลูกหลานก็เลยเอ๊ พวกเราเนี่ยน่าจะให้งนคุณป้าคุณยายของเราเนี่ยหยุดขายพวกเราก็ได้เลี้ยงยายเอาว้หยุดบอกให้ยายหยุดจ้ะก็เลยบอกให้ยายหยุดให้อยู่ในบ้านลูกหลานจะหาเงินมาเลี้ยงเองต่อมายายก็หยุดการทํามาหาเลี้ยงชีพต่อมาลูกหลานก็เลี้ยงอะไรนี้เลี้ยงยายพอต่อมายายก็แก่แก่แก่แก่เข้าตันี้ต่อมายายป่วยตันี้ยายที่เลี้ยงเขามาน่ยป่วย พอป่วยจะมากะเอายายนี่ไม่เคยไปวัดไปวาชเชลยไม่เคยทําบุญเลยแลพี่แต่พวกเราไปสู่วัดวาศาสนาฟังเทศรักษาศีลแต่ยายนี่ไม่เคยเอพอแก่ขึ้นมาก็หยุดไม่ไปวัดอีกสมัยก่อนก็ไม่เคยไปวัดมีแต่หาหอย เ, อเป็นอาชีพหาเงินมาให้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบั่นปลายของยายเนี่พวกเราน่าจะนิมนเน่ยครูบาอาจารย์ มาเทศมาแนะนําสั่งสอนมาสวดมนต์ที่บ้านของเราเพื่อให้ยายได้ไหว้พระสวดมนต์ให้ยายสั่งสอนยายบ้างก็ดีนะหลานทั้งหลายก็เห็นด้วยกันก็เลยไปนิมนต์สมภารวัดหนึ่งมาสมภารวัดนั้นกันคงจะสอนเกี่ยวกับการภาวนาวิปัสสนาการภาวนาด้วกันพอมาถึงแล้วก็สวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จแล้วก็ยายก็ น, นอนนั่นเ สมพานก็เลยเข้าไปยายอันนี้ทํำยังไงไม่ได้แล้วอายุมากแล้ว อ, อยู่กับที่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะยายนะ้ะให้ภาวนาเนอะ้ให้บริกรรมเนอะว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็คือให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอรหังก็คืออรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเองวัดสัมมาอรหัง แต่เนยยายก็ไม่เคยเข้าวัดใช่ไหมล่ะ๋ยวไม่เคยเข้าวัดเข้าวานสัมมาอรหังกับแปลว่ายังไงเขาไม่รู้แต่ตามไม่จริงถ้าเราสอนแบบหลวงปู่มั่นง่ายๆง่ายๆนะนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนอรให้บริกรรมพุทโทพุทโทพุทโทพุทโ ท, โทในยายเออจาได้ไง่ายๆเนี่ยสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ม, มันจํายากใช่ไหมล่ะแต่นี้ก็พราสอนเล ย, เยจำได้ไหมยายได้ค่ะพูดให้ฟังนี่สัมมาอรหังเออ นั่นแหะจำทีดีนะแต่นีนสมพานเนี่ยก็พอจบแล้วก็ไปพอต่อไปไม่กี่วันยายก็หนักหนักหนักหเข้าพอหนักเข้าทีนี้ก็ป่วยหลานก็ว่ายายสัมมา阿拉หังนายายนะเออเอาพูดให้ฟังนี่สัมณ์ยายสัมมา阿拉หังสัมมา阿拉หังพอในสุดยายเคยหาต่หอยใช่ไหมล่ะป้าที่หังเลยเป็นหอยบาดสัมมาอ拉หอยสัมมาอ拉หอยสัมมาอ拉หอย ทั้งที่จะเป็นหังนะั้เป็นหอยบาดเอาไปมายายก็เลยบริกรรม阿拉หอย阿ะหอย阿拉หอ ย, อหอยใจขาดป๊อกเลยเหมือนกันแต่พวกเราคิดดูใชว่ายายได้จะไปที่ไหนทีนี้สมัยเป็นน้อยเป็นหลมไม่บริกรรมไม่เรียนรู้ไว้ก่อนไม่ศึกษาไว้ก่อนในเมื่อแก่ แ, กแล้วยังมาผด阿拉หังสมา阿拉หังก็จนไหวแล้วมันไม่ทันกันน ะ, เ, ะเพราะฉะนั้นพวกเรานะให้เตรียมไว้แต่เนิน่นๆเหมือนกันเรื่องเรื่องภาวนานี่น ะ, ะไม่ใช่แบบ ถึงข่าวขับขันแล้วจะค่อยมาพูดกันมันมันพูดผิดพูดถูกนีทั้งที่จะเป็นอรหังสัมมาอรหังกลับเป็นอรหอยอรหอยอรหอยพอที่สุดเลยใจขาดป๊อกป๊อเลยอย่างนั้นนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับสามเรื่องใหญ่ท่านเป็นพระอรหันต์แต่แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองและเกี่ยวกับวินัยไม่เอกฉันพระประชุมกัน ที่ทำจัตุวรรณครูหาเป็นมีพระมาหากรัปะเป็นประธานมีความคิดแปลกแตกต่างจนไม่สามารถที่จะเป็นเอกชนได้ผลที่สุดก็เลยสรุปว่าไม่ถอดถอนมีในอาบัตเล็กน้อยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้นั้นให้คงไว้ตามเดิมอันนี้ข้อที่ั น, นข้อที่สองก็คือเนี่ยเราไปอยู่กับผู้ใหญ่ก็ให้ระมัดระวังคำพูดเห็นอะไรไม่ได้จะพูดทั้งหมด เ, เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน นะ้ำมื่อเป็นผู้ใหญ่จะทําอะไรลงไปเราก็ต้องคิดซะก่อนควรไม่ควรอย่างไรมันจึงถูกต้องนะอันดับที่3ก็คือเมื่อเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราใจใจขาดจะก่อนจึงมาค่อยมาภาวนาไม่ทานกันนะพวกเราต้องทําแต่นั้นเนิส่สังสมคุณงามความดีในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ตายแล้วไม่สู่นะตายแล้วเกิดอีกร่างกายของเราเนะี่ยมีสองมีกายกับใจอาศัยกันอยู่เดี๋ยวนะี้ร่างกายกับใจอาศัยกันอยู่ ร่างกายในถึงจะให้อาหารดีขนาดไหนให้ยาดีขนาดไหนให้ผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนสร้างบ้านเรือนหรูหราโอ้อาให้อยู่ดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอ อ, อไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายผลใสุดตายทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี่ยงหนีพ้นไปได้ต้องทุกคนต้องถึงจุดจบเมื่อถึงจุดจบแล้วใครใ ใจดวงนั้นอะไรถ้าว่าผู้ที่ได้ภาวนาอยอย่าองคงดวงตาของท่านท่านก็ดีดผึ่งอย่างที่ท่านว่าเข้าสู่นิพพานไปเลยแต่พวกเราเนยจะดีดไปทางไหนมันดีดตรงทางต่ำหรือดีดไปทางไหนถ้าดีดไปทงไาปทงสวรรค์ก็ค่อยยังชั่วนะท่านดีดมาเป็นมนุษย์ก็ค่อยยังชั่วท่านดีดไปเป็นสัตว์ติลฉานนะไปเป็นเปรตไปตกนรกนะมันน่าคิดเหมือนกันนะเพราะฉนั้นพวกเราพวกเราให้ดูตัวเองพวกเราจะดีดไปทางไหน ดีดไปทางต่ํารอดีดไปทางไหนขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะแล้วก็จากนั้นก็นี่แหละให้เตรียมพร้อมไม่ใช่ว่าใกล้ๆจวนแก่ๆเจ้า่อนยิ่งค่อยเข้าวัดเขาวาอลาหังอลา ห, หอยไปทั่วเลยไม่ได้นะอย่างนั้นวันนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะหลวงพ่อพูดเป็นชาดกเป็นนิทานก็เป็นแนวความคิดนะให้เก็บให้แก่พวกเราเป็นแนวความคิดสอนแนวความคิดถ้าพูด ธรรมดาธรรมดาพวกเราจําไม่ได้ลืมง่ายนะแต่ถ้าว่าพูดเป็นนิทานชาดกอย่างนี้ให้ฟังพวกเราก็คงจะเรียงลําดับได้เอ อ, เออได้ยินได้ฟังข่าวนั้นมีคติธรรมอย่างนี้นะวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษายาวนานและก็พร้อมกันหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลทุกมู่งเหล่าที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาให้หล่อหลอม ความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นหนึ่งเดียวก็ขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนค่าการรักษาก็ขอให้รักษาให้ถูกต้องรักษาสุขภาพหลงตาให้ไข้ให้หมอทุกมุ่งทุกเหล่าให้ใช้โอสดที่เป็นโอสถเทพโอสถจริงขอให้รักษาสุขภาพองค์หลงตาพวกเราก็ขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนสุขภาพของหลงตา ยา ใ, ให้ยาก็ให้เป็นยาจริงๆให้รักษาสุขภาพหลงตาพอให้หลงตาหายจากโรคาพยาธิโดยเร็วขอให้หลงตาอยู่เป็นร่มโพ ร, ร่มใสของพวกเรานานเท่านานด้วยเถิน